พุทธนักธรรมเอกมวนที่เจ็ดโดยพระอาจารย์มหามโหสุมโนท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เราก็จะมาว่าบทเรียนพระประถมสมโพธิกถาต่อในครั้งที่แล้วนั้นก็ได้กล่าวถึงปริเชตที่สิบสามยังค้างอยู่ก็ในปริเชตที่สิบสามนี้ ตอนที่พระองค์ตัดอทรงตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์สืบต่อไปในนดับแรกนั้นพระองค์ก็ทรงหัวล้ำลึกถึงอาจารย์คืออาราดาบทกาลามโคดแต่ก็ได้ทราบว่าอาจารย์นั้นได้ถึงแก่ชีวิตตักสายไปสลายเจ็ดวันก็จึงได้หัวลำลึกถึงอาจารย์อีกองหนึ่งคืออุตกะดาบท พรามบุตรซึ่งเป็นอาจารย์องค์ที่สองก็ได้ทราบว่าท่านอาจารย์นั้นก็ได้สิ้นชีพไปเสียแล้วเมื่อตอนเย็นวันวานนี้เองพระองค์ก็ทรงสังเวชรลดพระทยัยเป็นอย่างมากว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นถึงซึ่งความหายณะอันยิ่งใหญ่ถ้าหากว่ามีชีวิตได้คอยท่าพระองค์ได้สดับพระธรรมเทศนาเพียงครั้งเดียวก็จะได้ตัดสรูได้พันตัดสรูเลย ดังนั้นเมื่ออาจารย์ทั้งสองเมื่อได้ทราบว่าอาจารย์ทั้งสองสิ้นชีวิตตักใสไปแล้วพระองค์ก็หวนมาคำหนึ่งว่าพระองค์จะแสดงธรรมโปรดใครก่อนก็หัวระลึกถึงอุปการะคุณของปัญจวัคคีทั้งห้าคือนักบวชทั้งห้าซึ่งมีัญญาโกลทัญะวะ ป, ปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิซึ่งทั้งห้านี้ที่รวมกันเรียกว่าปัญจวัคคีนั้น มีเคยมีอุปการะแก่พระองค์เมื่อครั้งตอนที่พระองค์นั้นทรงบําเพ็ญทุกะกะริยาอยู่ที่บ้านอุรุเวลาเสนานิคมได้ปัญจวัคคีทั้งห้าท่านนี่แหละเป็นผู้คอยปลนปนิบัติอุปถากอยู่คอยประคองลุกประคองนั่งในขณะที่พระองค์นั้นทรงบําเพ็ญทุกะกะริยา แต่ว่าปัญญวัคีทั้งห้าก็มาละจากพระองค์ไปเสียเมื่อครั้งที่พระองค์เลิกความเพียรโดยทุ ก, กรริยากลับมาประพฤติความเพียรทางใจก็มองเห็นว่าปัญจวัคีทั้งห้านี้เป็นผู้ที่มีบารมีสมพานหรืออัจฉริยะใแห่งมรรคผลพอที่จะได้บรรลุ คุณธรรมที่พระองค์จะได้ทรงสั่งสอนที่พระองค์จะทรงสั่งสอนต่อไปได้เมื่อมาหัวะลึกเช่นนี้แล้วก็ทรงตรวจดูก็ทราบว่าบัดนี้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นได้ละจากพระองค์ไปไปสํานักอยู่ที่ป่าอิสิปัตนะมลึกทายวันเว้นแคว้นเมืองกาสีนั่นเองดังนั้น พระองค์ก็ตัดสินพระไทยที่จะดำเนินไปสู่ปายสิปปนนทมฤคทัยวันเพื่อจะปลดพันจวาคัคีครั้นลุกขึ้นเช้าในวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็เสด็จจากต้นอั ช, ชปารณีโครเสด็จู้ทน์เนินไปบิทบาทที่หมู่บ้านเสนานิคม นั่นเองทรงเสวยพระตาทรงเสวยพระกยาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงได้ตัดสินประไทยมุ่งหน้าต่อไปอยังป่าอิสิพัฒนามฤคตายวันก่อนที่พระองค์จะตัดสินประไทยนั้นพระองค์ก็ได้เลีงแลดูถึงอติตยานอดิเตยานว่าองค์ู้เดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมื่อจะแสดงประสมมเทศนา โปรดนั่นเวนัยสัตว์นั้นทรงดําเนินไปด้วยพระบาทเปล่าหรือว่าทรงไปโดยอากาศก็ทราบว่าทุกๆพระองค์นั้นก็ดําเนินไปสู่ปลายสิพัฒนมฤคทายวันนี้โดยทางอากาศแต่พระองค์นั้นทรงพิจารณาดูแล้วว่าจะได้พบกับอาชีวกคนหนึ่งชื่ออุปกระั้ในหนทาง หาพระองค์ไปโดยอากาศเสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะพบได้ทั้งๆ ท, ที่อาชีวกนั้นพบแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ได้สัตรลูหรือว่าไม่ได้คุณธรรมอะไรแต่ว่าจะเป็นภาวะจะเป็นปัจจัยในการที่จะกลับมาในภายหลังดังนั้นพระองค์ก็ไม่ได้คิดถึงความเหนื่อยยากแห่งพละกายจึงได้ตัดสินพระทัยนั้นดาเนินไปด้วยพระบาทจาก อัชฌาปรณีโครดนั้นสู่กลุ่มสู่ป่าอิสิปตนะมฤกทายวันพระองค์ได้ดำเนินไปในระหว่างทางระหว่างก ล, งกลางต้นสีมหาโพธิ์กับเมืองขยานั่นเองพระองค์ก็ได้พบได้พบอาชีวกที่ชื่อว่าอุ ป, ปกะพระองค์นั้นในขณะที่ทรงดำเนินไปนั้นก็เปล่งพัศพันรัสมีคือลังสีคือรัสมีแปด พระสมีหกประการเพื่อที่จะให้อาชีวกนั้นได้เข้ามาสู่พระองค์โดยการที่เห็นพุทธรศมีหรือหลังสีหกประการนั้นเจพันหลังสีนั้นนั้นนนั้พระองค์ก็ได้ไปสวนกับอาชีวกนิ่ในระหว่างกึงกลางระหว่างต้นสีมาโพตกับเมืองพญาอาชีวกนั้นในขณะที่เดินมา ก่อนที่จะเข้ามาพบพระองค์นั้นก็ได้เห็นพระรัศมีจับไปตามใบไม้และยอดไม้ต่างๆก็เกิดความสงสัยว่านี่เป็นรัศมีฤรืสีอะไรเมื่อมองไปมองมากไพพ็ได้พบพระพุทธองค์ก็จึงได้เข้าไปใกล้พระพุทธองค์ใกล้ไปพุทธพระพุทธองค์เกิดปีติปราโมทก็จึงได้ปราศัยขึ้นว่า ดูกระอาวุโสอินทรีย์ของท่านนั่นงามยิ่งนักผิวกายก็ฝุดผ่องท่านมีนามใดบวชในสำนักของผู้ใดใครเป็นครูของท่านท่านได้เล่าเรียนธรรมจากสำนักของผู้ใดพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสตอบแก่อาชีวกวะ เราเป็นพระสยมภูตัสรู้เองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์ตถาคตนั้นประกอบไปด้วยอรหาที่คุณอาชีวกังอ า, อาอรหาที่คุณเป็นต้นคำว่าอารหาที่คุณนี้ก็หมายถึงว่าพระคุณก้าวประการมีคำว่าอารหังเป็นต้น องสมเด็จพระสมมาสมพุติเจ้าก็จึงได้ตรัสแกอาชีวอกเช่นนั้นอาชีวอกอุปการละชีอุปกา ร, ช, าการชีวอกนั้นเมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็จึงได้กล่าวเป็นการเชิงยอมรับว่าข้าพเจ้าเห็นจริงด้วยท่านนั้นควรที่จะได้นามว่าอนันตจินะเนี่ยกล่าวว่าอนันตจินะ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก, ก็ทรงรับว่าข้อ น, นั้นเป็นการจริงและว่าผู้ที่จะเป็นอนันตชินะ น, น, นั้นเหมือนพระองค์ไม่มีผู้ใดในโลกอุปกาชีวกได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็จริงได้ทูลกราบทูลซ้ำอีกว่าจริงดังนั้นพระเจ้าจริงดังนั้นแล้วก็สั่งศิสะหลีกไป <c oughs> ในการสันสีษะของอาชีวกนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าคิดกันอยู่ในหนังสื อ, อพุทธประวัติเล่มหนึ่งและแม้แต่ในธรรมบทนั้นได้กล่าวไว้ว่าอาชีวกคืออุปกาอุปกาช ok ีวกผุนิสันสีษะเป็นธรรมนองที่ไม่เชื่อ เมื่อพระองค์ตรัสว่าเป็นพระสยามภูหาใครเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้พระองค์ตรัสรู้เองอาชีวกนี้ไม่เชื่อพูดคล้ายๆว่าทํานองคิดแต่ทํานองว่าพระพุทธองค์นี่คุยมากเกินไปหรือคุยโม้เกินไปจึงไม่ยอมเชื่อสันสิสะแล้วก็แลบลิ้นเป็นในทํานองที่ว่าหลอกแหลับลิ้นหลอก เป็นทํานูญที่ไม่ยอมเชื่อแล้วก็หลีกทางไปโดยเอาการที่เรียกว่าหลีกไปทางซ้ายซึ่งตามหลักของการให้ความเคารพนั้นถือว่าตามหลักพุทธศาสนาถือว่าการหลีกทางซ้ายเอาทางซ้ายให้นั้นเป็นการที่ดูหมิ่นไม่ให้ความเคารพสําหรับคนที่จะหลีกต่อผู้ใหญ่ให้ความเคารพนั้นต้องหลีกเอาทางขวาให้ดังนั้นอาชีวกู้นี้ไม่เชื่อแล้วก็ยังมีการดูถูก เป็นการเยอะเยอยไปในตัวจึงได้หลีกเอาทางซ้ายไปให้หลีกไปเสียแต่ว่าในหนังสือของประถมมสมโพธิกถานี้ได้กล่าวไว้ว่าอาชีวผูนี้ยอมเชื่อแล้วอย่างในสรรเสริญ พ, พระคุณของพระองค์ของพระองค์อีกว่าน่าจะได้มีพระนามคงควรจะได้มีพระนามว่าอนันตชิน แล้วก็จึงได้สรรเสริญพุทธคุณแล้วก็จึงได้เหล็กไปนี่เป็นการแสดงว่ายอมเชื่อก็การสันสิสะของชาวอินเดียนั้นมียุทธกันสองประการคือสันทั้งไม่เชื่อและก็สันทั้งเชื่อที่สันเชื่อนั้นหมายถึงว่าสันข้างใดข้างหนึ่งไปข้างเดียวแต่ถ้าสันไม่เชื่อนั้นก็สันไปทั้งสองข้างอันนี้เป็นสิ่งที่ควรศึกษา แต่ในปฐมอสมโพธิกถานนี้กล่าวว่าสันศิสะและหลีกไปนั้นเป็นการยอมรับเหมือนกับบางคนที่ยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการพยักหน้าอย่างนั้นพยักหน้าก็คือการสันสิสะนั่นเองยอมรับก็หลีกไปเมื่ออุปกาชีวกหลีกไปแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จพุทธดำเนินต่อ ต่อไปอยังป่าอิสิปัฒนะมรุกขายวันไปถึงในเวลาเย็นวันนั้นเองปัญจวัคคีตั้งแต่ตอนเช้าต่างก็ระลึกถึงพระมหาบุรุษนั่งสนทนากันอยู่นั่งสนทนากันอยู่ถึงพระมห า, า, ถ, าถึงพระพุทธองค์ว่าบัดเนี้ยพระองค์นั้นจะประทับอยู่ที่ใด จะระลึกถึงพวกเราบ้างหรือไม่เป็นประการใดในขณะนั้นเองก็ทรงก็เห็นพระพุทธองค์นั้นทรงเสด็จมาในที่ไกลๆยังไกลอยู่ก็พอจำได้คือพอที่จะจาได้ก็จึงได้เข้าใจว่าพระพุทธองค์นั้นละเพียรละความเพียรทุกทารกิริยาเสร็จแล้วเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆเที่ยวบินทบารชัน้น จึงมีผิวพันธุ์เปล่งปลั่งผิดแต่ก่อนมากการที่มานี้ก็คงจะอยู่คนเดียวจะเกิดความลำคาญขึ้นคงจะอยู่ด้วยความลำบากมานี้ก็เพื่อมาต้องมาการที่จะมาตามหาเราเพื่อต้องการให้เหล่านี้ที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์ต่อไปดังนั้นเขาจึงในนัดหมายปัญจวัคคีย์ทั้งหลายก็าจึงในมัด ห, นดหมายกันว่าเราจะไม่เราไม่ต้องลุกขึ้นรับไม่ต้องพนมมือไหว ไม่ต้องรับบานไม่ต้องรับจีวรแต่ว่าเพียงแต่ปูอาสนะไวเพราะพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์เมื่อพระองค์พอพระไทยที่จะประทับนั่งก็จะได้นั่งถ้าหาพระองค์ไม่พอพระไทยจะประทับยืนหรือจะไปที่อื่นก็แล้วแต่ทั้งหมดก็ได้รัดหมายกันไว้อย่างนั้น แต่พอพระพุทธองค์เข้ามาใกล้มันจะวัคีทั้งห้านั้นก็ลืมสัญญากันหมดที่นัดหมายกันไว้เ <c oughs> พราะอำนาจที่ตนเองนั้นเคยมีความเคารพกราบไหว้พระพุทธองค์ก็ลืมสัญญากันหมดองค์หนึ่งก็รับบาตรองค์หนึ่งรับจีวร อ, องค์หนึ่งนำน้ำ ม, มาล่างพระบาทให้ องหนึ่งก็เอาน้ำมันมาทาที่พระบาทให้องค์หนึ่งก็นั่งคอยพัดวีให้เรียกว่าสัญญาที่ลืมที่ที่นักกันไว้ลืมหมดแต่ว่าปัญญวคีทั้งห้านั้นได้ใช้คำที่ยังไม่เหมาะสมคือได้ทักทายปราศัยพระพุทธองค์ถามเกี่ยวกับเรื่องความสุขความทุกข์ และอาหารและพิธีบาทนั้นยังใช้คำว่าอาวุโสและยังเรียกพระนามของพระองค์ว่าโคโดมอยู่อันนี้ซึ่งเป็นการไม่เคารพซึ่งเป็นการไม่เคารพธรรมดานั้น oh. เด็กที่จะเรียกผู้ใหญ่จะต้องใช้คำว่าพันเตแล้วก็ห้ามออกชื่อเด็กขาดเว้นแต่เว้นแต่พูดถึง รับหลังท่านผู้ใหญ่นั้นคือพูดกันในระหว่างเพื่อนเ อ, อ่ยชื่อผู้ผู้ใหญ่นั้นได้แต่ถ้าพูดกับผู้ใหญ่แล้วจะเรียกชื่อไม่ได้การใช้คำว่าอวุโสหรือเรียกชื่อนั้นเป็นสำนวนที่ผู้ใหญ่ใช้กับเด็กซึ่งอวุโสนี้ตามหลักของพุทธศาสนาเราแปลว่าคุณพันเตแปละว่าท่านผู้ใหญ่ผู้กับเด็กนั้นใช้คาว่าอาวุโส ใช้อำวคัมว่าอาุโสและก็ชื่อเรียกชื่อแต่การที่บุคคลผู้ที่มีฐานะต่ำกว่าจะมาเรียกคนที่มีฐานะสูงหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าจะเรียกผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าโดยการเรียกชื่อหรือใช้คำว่าอาุโส น, นี่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์จึงได้ตรัสห้ามเสียแต่ความจริงแล้วถ้าจะเพ่งไปแล้วการที่ปัญจวัคคีนั้น ได้ใช้คำนี้กับพระพุทธองค์นั้นคงจะนึกว่าตนเองนั้นมีอายุอนามหรือว่ามีอายุเกิดก่อนกว่าพระพุทธองค์คือมีอายุแก่กว่าจึงคิดว่าในฐานะเป็นนักบวช ด, ด้วยกันหรือในฐานะที่เป็นคนในร่วมโลกเดียวกันนั้นตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีอายุอนามมากกว่าจึงใช้คำว่าอาวุโสหรือโคดม คงจะไม่ได้เรียกด้วยการที่เรียกว่าเป็นการดูหมิ่นหรือเย็ยดยามเข้าใจว่าพระุทธองค์นั้นคงยังไม่ได้สําเร็จตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอะไรก็คงจะเป็นนักบวช ด, ด้วยกันเหมือนกันธรรมดา น, นั่นเององค์สาเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็จึงได้ตรัสห้ามเสียแล้วก็ตรัสว่าเอา้าว่าเธออย่าได้ใช้อย่าได้เรียกพระตถาคตอย่างนี้ด้วยคาวยําอวุโสอย่างนี้เป็นการไม่สมควร บัด น, นี้ในตะถาคดในตรัสรู้อนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณหรืออมรุต ธ, ธรรมโดยชอบแล้วเธอทั้งหลายคอยฟังเถิดและเมื่อเธอทั้งหลายปฏิบัติตามที่เราสอนมิชาก็จะได้บรรลุอมรุต ธ, ธรรมปัญจะวคีนั้นได้ฟังพุทหสารเช่นนั้นและก็ยังไม่ยอมยังไม่ยอมเชื่อจึงกล่าวกราบทูลคัดค้าน ว่าพระองค์นั้นทรงละความเพียรเสียแล้วจะบรรลุคุณวิเศษเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสแก่ปัญจวัคคีค้านเช่นนี้อยู่ถึงสามครั้งปัญจวัคคีก็ยังไม่ยอมเชื่อพระองค์ก็จึงได้ตรัสให้ปัญจวัคคีเนี่ยให้นึกย้อนหลังสิให้นึกย้อนหลั ง, ลงดูว่าคําเช่นนี้เนี่ย ที่เราเคยอยู่ร่วมกันมานั้นตถาคตได้เคยตรัสบ้างหรือเปล่าคำเช่นนี้นั้นหมายความเนี่ยคําที่พระองค์ตรัสว่าบัดนี้ตถาคตได้บรรลุมรรคธรรมแล้วคือประกาศความเป็นพุทธเจ้าแล้วนะพระตถาคตนั้นได้เคยปะตรัสมางหรือเปล่าปัญจวัคคีย์ก็หัวละลึกว่าคํานี้พระองค์ไม่เคยตรัสไปเลยเพราะฉะนั้นพระองค์เพิ่งมาตรัสในครั้งนี้พระองค์นั้นอาจจะได้ตรัสรู้แล้วบ้าง ก็จึงได้ยอมรับฟังในวันต่อมาซึ่งเวนเป็นวันอาสาละหะบุลมีหรืออาอาสาละหะมาศซึ่งตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็จึงได้ตรัสเรียกปัญจวัคคีย์มาแล้วพระองค์ก็ทรงประกาศ พสัพพันตยานโดยการที่แสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสุขหรือว่าโดยการที่พระองค์นั้นหมุนวงล้อแห่งธรรมะให้เป็นไปแก่ชาวโลกโดยได้เทศนาโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าพระธรรมเทศนากันนี้ที่เราเรียกกันว่า ปฐมเทศนาคือเป็นการเทศกันแรกหรือเป็นการเทศครั้งแรกแต่ธรรมะหรือวสุทที่พระองค์ทรงตรัสในปฐมเทศนาคือในการเทศการเทศครั้งแรกนั้นก็เทศเรื่องธรรมจั ก, กรกปวัตตนสุขเนื้อความในธรรมจั ก, กรกปวัตตนสูตรนั้น อันดับแรกในวาระแรกนั้นพระองค์ทรงประกาศทางสองสายที่ไม่ควรดำเนินทางสองสายนี้ทางสายหนึ่งก็คือกามาสุขหลิการนิโยโญคือการหมกมุ่นหาความสุขอยู่ในเรื่องกา ม, มคุณทางสายที่สองคืออตตกิละมัานิโยโ ก, การกระทำความเพียรโดยการทรมานกายให้ลำบาก กามาสุขัลธิกาญุโยคและก็อัตตา ก, กิลิยามัฐานุโยคทั้งสองสายนี้ที่พระองค์ทรงประกาศว่าไม่ควรดาเนินนั้นเหตุใดพระองค์จึงต้องเทศเป็นวาละแลกแทนที่จะเละเทศเนื้อความในอ่าทําแอดถือแทนที่จะเทศเนื้อความของในอริยสัจสี่เลยอันนี้พระองค์ก็เพื่อต้องการที่จะปฏิเสธความคิดเห็นของปัญญวัคคีทั้งห้า ซึ่งปัญจวัคคีทั้งห้านั้นเป็นพรามในข้อที่หนึ่งนั้นว่าการประสุ ข, ขันในกาลนโยกว่าการหมกมุ่นหาความสุขในเรื่องกามนี้ไม่ใช่นิพานไม่ใช่หนทางที่จะปฏิบัติให้ถึงปนิพานก็เพราะเหตุวกาพรามนั้นมีทิฏฐิประการหนึ่งที่เราเรียกกันว่าทิฏฐธรรมนิพานวาทะ คือการมีเข้าใจมีความเห็นความเข้าใจว่านิพพานในปัจจุบันมีอยู่นิพพานในปัจจุบันนั้นคำว่านิพพานนิพพานนั้นความหมายของเขาก็คือว่าการดับทุกการดับทุกตัวรู้ว่าที่เรียกว่านิพพานนั้นในปัจจุบันมีคนที่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันได้นั้นต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมห้าอย่างประการที่หนึ่งก็คือว่า ต้องเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณทั้งห้าประการที่สองต้องได้ปทุมะชานประการที่สามต้องได้ทุติยชานประการที่สี่ต้องได้ตติยชานและประการที่ห้าต้องได้เจตุทชานทั้งห้าประการนี้ผู้ใดผู้หนึ่งได้บรรลุข้อใดข้อหนึ่งถือว่าได้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน ดังนั้นพระองค์ก็ตรัสพ้นทางข้อแรกว่ากามาสุขคุริการุโยค ก, การหมกมุ่นอยู่ในความสุขในเรื่องการนี้ไม่ใช่ทางนี้ผ่านคือไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์พ้นทางนี้เป็นห้นทางที่หย่อนเกินไปถ้าจะเปรียบมนุษย์ทางและพ้นทางนี้เต็มไปด้วยเปลือกตม้มด้วยโคลนตมก็คือกามมันเองยังบุคคลผู้ปฏิบัตินั้นให้เกิดความทุกข์เป็นห้นทางที่ต่ํา เป็นทุนทางที่ไม่ใช่ทางที่สูงไม่ใช่ทางพระอริยะเป็นเรื่องของชาวบ้านชาวโลกเขาเพราะนั้นทางนี้ไม่ใช่ทางที่จะตัดสู่ไม่ใช่ทางที่จะไปนิพพานได้นี่ข้อนึในอน่ในข้อที่สองอัตตากิลามัฐานิโยกอันนี้ก็เช่นเดียวกันคนชาวชุมภูทวีปในครั้งพุทธในครั้งก่อนๆ น, นั้นในอดีตการนั้น หรือว่าบุคคลที่จะต้องการที่จะบรรลุคุณธรรมพิเศษนั้นมีหนทางเดียวที่จะบำเพ็ญความเพียรก็คือบำเพ็ญโดยการทรมานตัวเองทรมานกายให้ลำบากที่เราเรียกกันว่าทุกรกิริยาคือการทรมานกายที่กระทาได้อย่างยากยิ่งที่พระองค์เคยกระทามาแล้วนะคือทำกายให้ลำบากอันนี้แหละเทีพเจ้าจะเห็นใจและจะได้ประทานสิ่งที่ตนเองต้องการให้ นี่คนชาวชมพุทวีถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นในอันดับแรกนี่พระองค์เมื่อบำเพ็ญทางเมื่อจะบำเพ็ญเพียรให้บรรลุนั้นก็จึงได้ทดลองโดยทางที่ว่าอัตกิรมาฐานโยกสียก่อนเพราะฉะนั้นก็ปรากฏเป็นที่แน่ปัญจวัคคีย์ไปเห็นเข้าเกิดความรล่มใสคิดว่าพระองค์เนี่ยคงจะได้บรรลุอย่างแน่นอนแต่เมื่อพระองค์กระทำไปแล้วเห็นไม่ใช่ทางบรรลุจึงเลิกเสีย กลับมาบำเพ็ญเพียรทางใจมาฉันคะมาสะเสวยอาหารใหม่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเน่นหมดสัทธาเลยนึกว่าพระองค์คลายจากความเพียรซะแล้วนี่แสดงว่าเชื่อมั่นในเรื่องการบำเพ็ญทุกกรกรติยาอย่างมากดังนั้นการที่พระองค์ได้ทรงยกขนทางสองทางนี้ขึ้นมาก็เพื่อต้องการทำลายทิฏฐิคือความเห็นอันผิดของพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าสิ เพราะฉะนั้นอาตากีรมงฐถานุโยมนี้ถ้าจะเปรียบเป็นห้นทางก็คงเป็นหุ่นทางที่เรียกว่าเต็มไปด้วยขวากและหนามเป็นห้นทางที่เดินไปได้ลำบากใครดำเนินไปทางนี้ปีนเ้าทางที่เรียกว่าเหนื่อยเปล่าๆ เ, เจ็บตัวเจ็บกายเปล่าๆไม่สามารถที่จะถึงสถานที่ที่ตนเองปรารถนาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้ประกาศว่าทางสองสายนี้ไม่ควรดาเนิน ไม่ใช่ทางที่จดาเนินไปสู่มรรคผลนิพพานเมื่อพระองค์ประกาศทางสองสายว่าไม่ควรดำเนินแล้วพระองค์ก็ประกาศในวาระที่สองก็ประกาศทางสายกลางทางสายกลางว่าทางสายนี้แหละเป็นทางสายกลางเป็นทางที่จะดาเนินไปสู่อมตะมหานครนิพพานคือที่จะให้ถึงพระนิพพานได้ทางสายนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา มัชชิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติเป็นสายกลางคือไม่หย่อนเกินไปแล้วก็ไม่ตึงเกินไปเกินไปคือไม่หย่อนตกไปในทางสุขคันธิกาการมาสุ ข, ขันธ์านุโยกแล้วก็ไม่ตึงจนเป็นอตตากิรัตาามนานุโยกเป็นหนทางสายกลางหนทางสายกลางนี้ก็ได้แก่มักมีองแปดคือต้องดำเนินทางสายทางมักมีองแปดตึงจะบรรลุพระนิพพานได้ เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราเนี้เป็นมัชชิมาปฏิปทาคือการปฏิบัติของทางพุทธศาสนาของเหล่านี้ดําเนินไปทางสายกลางไม่ย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนจนกระทั่งที่เรียกว่าเป็นทางที่เต็มไปด้วยโครเลตมและไม่ตึงเกินไ ป, ไนไ ป, ไนไปจกนกระทั่งที่ว่าเต็มไปด้วยขวางหนามถ้าจะเปรียบเทียบแล้วเหมือนกับพินสามสายนั้น สายที่หย่อนเกินไปนั้นเวลาดีดก็ไม่ดังเสียงก็ไม่เพลาะแต่สายที่ขึงจิ้ตึงเกินไปนั้นเวลาดีดเสียงก็แข็งแล้วก็ขาดง่ายแต่ถ้าหากว่าขันพอดีพอดีอดปานกลางไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อ น, นเกินไปแล้วก็พินสายนั้นก็จะดีดได้อย่างเพลาะเพิ่งเสียงก็นุ่มนวลเป็นเพลงก็เพลงฟังได้ไพลาะแล้วก็ไม่ขาดด้วยนี่พระองค์ทรงประกาศ ทรงประกาศทางสายกลางแนะนําให้บดําเนินโดยมรดกแปดคื อ, ร อ, คอมรดกเป็นมรดกมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิพระองค์ทรงประกาศสายกลางนี้แล้วในวาระต่อไปนั้นพระองค์ก็ได้ประกาศอริยสัจสีประการอาริยสัจสี่ประการนี้ก็ได้แก่ทุก สมุทัยนิโรธและก็มักทุกนี้ก็คือสภาวะที่ทนได้ยากเมื่อบุคคลใดต้องประสบเขาแล้วบุคคลนั่งทนได้ยากที่จะอยู่นิ่งได้สมุทัยต้นเหตุหรือว่ามูลเหตุที่จะให้เกิดทุก์นิโรธความดับทุกข หรือสภาวะที่ดับทุกข์และก็มักค้นทางที่จําเนินไปให้ถึงความดับทุกข์ทุกนี้ได้แก่สภาวะที่สนในญาณนั้นได้แก่อะไรชาปิตุขาการเกิดก็เป็นทุกข์ชลาปิตุขาการแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุ ข, ขังการตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมณตสุปาอุปายาสาสิ่งเหล่านี้ทั้งหลาย ความความโศกเศร้าเสียใจเหล่านี้ก็เป็นทุกข์เมื่อว่าโดยสรุปแล้วก็ได้แก่ขันห้าเป็นทุกข์สมูทัยนั้นสมูทัยนั้นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็ได้แก่ตัณหาสามคือการมาตัณหาความพอใจละไข่ในการภาวะตัณหาความพอใจในการละไข่ในแอพอใจในภพและภวิตัณหา ความพอใจละไข่ในสิ่งที่ไม่ใช่พกหรือว่าเรียกว่าในสิ่งที่ไม่เป็นไม่มีไม่เป็นส่วนนิโรดนั้นก็คือการปล่อยวางเสียไม่ยึดมัน่นถือมั่นคือไม่มีอุปาทานก็เรียกวันทับทุกได้ส่วนมรคนั้นก็มีองค์แปดดังเช่นในมัชชิมาปฏิปทานั่นเองสี่ประการนี้พระองค์ก็ได้ทรงประกาศต่อไปเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้ก็ขอยุติไปเพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญภาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มอว่าบทเรียนของปฐมสมโพธิที่สมโพธิกระถาต่อ ในครั้งที่แล้วนั้นได้ว่าถึงตอนที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื้อความในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นพระองค์อันดับแรกทรงแสดงทางสองสายที่ไม่ควรดำเนินก็ได้แก่กามบรสุ ข, ขัขนลิการกุโยกการกระทําความเพียรโดยการหมกมุ่นหาความสุขอยู่ในเรื่องการม กับอตากิลมถานุโยกการกระทำความเพียรโดยการทรมานกายให้ลำบากแล้วในวาระที่สองพระองค์ก็ทรงประกาศทางสายกลางที่ชื่อว่ามัชิมาปฏิปทาได้แก่มักมีองค์แปดว่าเป็นหุนทางที่จะให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วในวาระที่สามนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศสัจธรรมสี่ประการหรืออริยสัจสี่ประการ ซึ่งก็มีทุกสมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคทุกนี้ท่านกล่าวว่าเป็นปริญญาปริญญ ย, ยธรรมคือธรรมที่ควรกําหนดรู้คือหมายถึงว่าให้คนเรานั้นได้รู้ทั่วถึงคําว่าทุกหรือว่ารู้จักว่าตัวทุก์สมุ ท, ทยัยเหตุให้ทุกเกิดหรือเหตุที่เป็นมูลให้เกิดทุกนั้น เป็นปะหาตัประธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรละเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะให้เกิดทุกข์เราก็ละซินี่โรดความดับทุกข์สิ่งที่ทำให้เกิดให้ถึงความไอ้สิ่งที่ให้มีสภาวะที่ดับทุกข์เช่นการไม่ยึดมั่นถือมัน่นการปล่อยการวางเหล่านี้เมื่อสิ่งใดไม่ถือไม่ยึดมัน่นมันก็ไม่ไม่เป็นทุกข์ ไม่เป็นทุกสิ่งใดเราละได้มากทุกก็หมดไปมากละได้น้อยทุกก็หมดไปน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งท่านจึงกล่าวว่าเป็นสัจจิกาตปธรรมเป็นธรรมะที่จะควรที่จะทำให้แจ้งให้รู้เสียเพื่อเป็นเหตุที่จะให้พ้นทุกไปแล้วในอริยาสายัจข้อที่สีก็ได้แก่มัก มักคือวิทางที่จะถึงความดับทุกข์หรือปฏิปทาที่ถึงความดับทุกข์ได้แก่มักมีองค์แปดนั้นนะท่านกล่าวว่าเป็นภาเวตประธรรมคือเป็นธรรมะที่ควรจะให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันก็เป็นทางที่จะดับทุกข์ได้นะเป็นทางที่จะดับทุกข์ได้ธรรมะสี่ประการนี้คือทุกสมูทัยนิโรธมักนั้นชื่อว่าอริยสัจ อริยสัจนี่หมายถึงว่าสัจจะธรรมอันประเสริฐหาสัจจะอย่างอื่นนั้นจะเทียบ ม, ม่ได้สัจจะ น, นั้นในโลกเราเนี่ยมีอยู่สองสัจจะคือหนึ่งสมมติสัจจะคือสัจจะของจริงตามที่สมมติกับอริยสัจจะหรือว่าปรมาทสัจจะของจริงอย่างประเสริฐสัจจะโดยสมมตินั้นเช่นความสมมติ ชื่อคนชื่อแม่น้ำชื่ออะไร อ, อะไรตามชาวโลกสมมติก็นับว่าจริงแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่คงที่อยู่ต่อไปต่อไปชื่อนี้อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตามเหตุการณ์ของบ้านเมืองหรือเหตุการณ์ของโลกเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่สมมติใช้กันชั่วครู่ชั่วยามและเป็นสิ่งที่ไม่จริงจัง แต่อริยสัจสีประการนี้เป็นสิ่งที่จริงจังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแปรผันยกตัวอย่างเช่นคำว่าทุกสภาวะที่ทนได้ยากชาติพิทุขาการเกิดเป็นทุกการเกิดเป็นทุกนี้เป็นทุกทั้งผู้เกิดและผู้ให้เกิดแนดีตะการนั้นเป็นทุกข์ขันใดปัจจุบันการเกิดก็เป็นทุกข์ขันนั้น และในอนาคต ก, การก็เป็นทุกข์ชันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมุทัยก็เช่นเดียวกันต้นเหตุแห่งจะให้เกิดทุกข์นั้นก็มีอยู่สามอย่างแล้วสามอย่างนี่ไม่ว่าใครจะประพฤติปฏิบัติตอนไหนก็ให้เกิดทุกข์ทางนั้นตอนนั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติบางตอนถึงจะให้เกิดทุกข์บางทางถึงจะให้เกิดสุขไม่ใช่อย่างนี้นีน่โลดความดับทุกข์การปล่อยการวางข้างใด ก็เป็นการที่ดับทุกข์ที่ได้ได้อย่างแน่นอนมักเมื่อใครปฏิบัติตามมักแปลบุคคลนั้นก็สามารถที่จะถึงการดับทุกข์ได้เป็นของจริงอยู่เสมอไม่ว่าจะปฏิบัติในการไหนในอดีตการก็ตามปัจจุบันก็ตามแม้ในอนาคตก็ตามถ้ามีคนปฏิบัติบุคคลนั้นก็สามารถที่จะบรรลุผลิภานได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นของจริงของจริงอย่างจริงๆไม่มีการแปรผัน สาจาัจจะทั้งสี่ประการนี้ความจริงนั้นเป็นของที่มีอยู่ในโลกแต่ว่าไม่มีใครค้นพบเพราะพุทธองค์นั้นเป็นองค์แรกที่ค้นพบเป็นองค์แรกที่ค้นพบพระองค์ไม่ได้บัญญัติขึ้นแต่พระองค์ค้นพบก็เลยนํามาบอกเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่พระองค์เป็นคนคนพบพองค์แรกเนี่ยจึงได้มีนามว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าตัดสู้เองโดยชอบ ซึ่งยังไม่มีใครเด้ดตดรัสสรุไว้ก่อนในสั จ, จธรรมสี่ประการนี้อันนี้แหละเป็นหัวใจหรือว่าเป็นเนื้อธรรมะในพระธรรมจั ก, กปรปวัตนสุขหรือธรรมะแห่งปฐมเทศนาคือมีทางสองสายที่ไม่ควรดำเนินทางสายกลางที่ควรดำเนินแล้วก็สัจสี่ประการ สัจจทิปการที่พระองค์ทรงประกาศนี้เป็นการที่พระองค์ทรงประกาศความเป็นพุทธะของพระองค์เมื่อบุคคลได้ฟังบุคคลใดได้ฟังแล้วก็รู้ชัดได้อย่างแน่นอนว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสัจธรรมสีประการนี้ยังไม่เคยมีใครเลยได้ประกาศไว้ในโลกพระองค์เป็นองค์แรกเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธคือรู้เองโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอน เป็นอันว่าการที่พระองค์ทรงสแสดงสัจธรรมสี่ประการนี้เป็นการประกาศภาวะความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์เมื่อพระองค์เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลงก็บังเกิดมหาสัจจ์หมื่นโลกธาตุวาดไหวอวันไหวดวงตาเห็นธรรมนั้นได้มีแก่พวกพรหมและเทวดาเป็นอันมาก ซึ่งมีโกณฑัญญาเป็นต้นเป็นประธานองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทราบว่าโกณฑัญญานี้ได้รู้แจ้งถึงธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงแล้วคือได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสตโสดาปฏิพลเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ทรงเปล่งพระอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยว่า ัญญาสิวัตโพโกณทันโอัญญาสิวัตโภโกณทันโยซึ่งมีความหมายว่าโกณทัญยะรู้แล้วหนอโกณทัญยะรู้แล้วหนอเหตุนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาโกณทันญะนี้ก็จึงได้นามเติมข้างหน้าอีกว่าัญญาโกณทันญะเดิมนั้นโกณทัญญะนั้นได้มีชื่อแต่เพียงว่าโกณทัญยะอย่างเดียว แต่เพราะอำนาจของพุทธอุทานที่พระองค์ได้อุทานมาว่าอัญญาสิอัญญาสิซึ่งแปลว่ารู้แล้วรู้แล้วนี่เองอัญญาตัวนี้ก็จึงได้นำหน้าของโกนธัญญะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งแปลแล้วก็แปลว่าพระอัญญาผู้รู้พระอัญญาผู้รู้และผู้รู้นั่นเองเมื่ออัญญาโกนธัญญะนั้นได้ดวงตาเห็นทำเช่นนั้นแล้ว พอจบพระธรรมเทศนาก็จึงได้ทูลขออุปสมบทจึงได้ทูลขออุปสมบทคือขอบทในพุทธศาสนาพระองค์ก็จึงได้ประทานอุปสมบทด้วยเอหิพิคุปสมัติาเฉพาอะอัญญาโกรทัญญาเท่านั้นจึงนับได้ว่าในวันนั้นเอง คือในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดก่อนพุทธศกสี่สิบห้าปีนั้นได้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วเป็นครั้งแรกในโลกและพระสงฆ์ที่อุบัติขึ้นนั้นเป็นพระอริยบุคคลด้วยจึงได้ชื่อว่าวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ เดิมนั้นมีแต่เพียงพุทธรัตนะคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าธรรมรัตนะคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าแต่บัดนี้ได้มีพระสังฆรัตนะคือพระสงฆ์อริยะบุคคลเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นอัญญากณัญญานี้จึงนับได้ว่าเป็นพระสงฆ์องค์แรกหรือเป็นพระสังฆรัตนะองค์แรกที่อุบัติขึ้นในโลกแล้วก็เป็นพระอริยะบุคคลด้วยเป็นพระอริยะบุคคล เป็นสังฆรัตนะที่อันประเสริฐก็เป็นอันว่าในปริเขตที่สิบสามเกี่ยวกับเรื่องการแสดงประถมเทศนาก็เรื่องธรรมจักรกบฏนาสูรก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ต่อไปก็ถึงปริเขตที่สิบสี่ ในปริเขตที่14บสี่นี้ว่าด้วยยศบรรพชาปริวัติหรือการบวชของพระของยศกุณบุตรทั้งเองในปริเขตนี้ว่าถึงตอนที่การบวชของลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่ยษณะยันทันยศะนี้เป็นลูกของเศรษฐีมีความเบื่อหน่ายในคาวาสวิสัยจึงได้เข้าไป เฝ้าผู้ตัเจ้าและก็ออกบวทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาที่ป่าอิสิปตนะเมลกัาไยวันนั่นเองในในบปริเขตนี้ว่าด้วยถึงภิกษุห้ารูกก็คือปัญจวัคคีทั้งห้าขึ้นในการต่อมาเมื่อ อั น, นัญญาโกณธัญะได้ทูลขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกแล้วต่อมาพระองค์ก็ได้สั่งสอนสมาชิกอีกสี่ลูกก็คือวัปปะพัทิยะมหานามาตยชิทั้งสี่ลูกนั้นให้ได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วก็ได้ประทานอุปสมบทให้ทุกๆองค์ในการได้ดวงตายห้ทำและได้การอุปสมบทนั้นบางตำนานได้กล่าวว่าได้บรรลุคนละวันและได้อุปสมบทคนละวันก็คือว่าปะได้บรรลุในวันแรมหนึ่งค่ำแล้วก็ได้อุปสมบทพัทธิยะสองค่ำมหานามะสามค่ำและอัศจรสี่ค่ำ เมื่อได้บรรลุเมื่อได้บรรลุแล้วก็จึงได้ทูลขอบูรสมบทแต่ในบางตำนานก็ได้กล่าวว่าวัปป ะ, ะพัธิยะได้บรรลุวันสองค่ำมหานามอสจิได้บรรลุวันสี่ค่ำแต่ว่าความเนื้อความก็ตรงกันคือว่าทั้งสี่องค์นี้ได้บรรลุและได้บรรพชาภายในแหลมสี่ค่ำคือไม่เกินกว่านั้นไป เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงเทศนาปกินกะแก่สั่งสอนปัญจวัคคีย์อีกสี่ลูกจนได้ดวงตาให้ทำและประทานอุปสมบทแล้วในวันแรมห้าค่ำเดือนแปดทรงพิจารณาเห็นปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งห้าลูกมีอินทรีย์แก่กล้า ควรที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อบรรลุมรคผลเบื้องสูงต่อไปได้แล้วจึงได้เรียกประชุมพิกษุทั้งห้ารูปณที่อิสิปตนมรกทายวันนั่นเองแล้วจึงได้ตรัสอนัตตลกนสูตรอนัตตลกนสูตรนี้วาดด้วยพระสูตรที่วาดด้วยลักษณะที่มิใช่ตัวใช่ตน ในพระสูตรนี้พระองค์ได้ทรงยกเอาขันห้าขึ้นมาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทรงยกเอาขันห้าขึ้นมาว่าเป็นอนัตตาว่ารูปรู ป, ปังอนัตตารูปก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่ตนเวทนานาตา สัญญาณาตาสังขารานตาและวิญญาณนางานาตาทรงตรัสว่าสิ่งทั้งหมดนี้หรือเบญจขันธ์ทั้งห้านี้เป็นของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรที่จะยึดเอาถือเอาเพราะอะไรที่ว่าเป็นนาตาเพราะเหตุที่ว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจไม่อยู่ในอำนาจเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือบังคับได้ ซึ่งธรรมดานั้นถ้าหากเป็นตัวตนของเราเราก็สามารถที่บังคับได้ให้อยู่ในอำนาจได้เช่นบางคนไม่ต้องการจะให้แก่ก็ห้ามที่จะไม่ให้แก่ได้แต่นี่เราไม่สามารถที่จะบังคับได้ทุกคนไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแต่ทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งนั้นเรียกว่าบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเมื่อไม่อยู่ในอำนาจแล้วจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไรนี่ประการอีกประการหนึ่งเราท่านทั้งหลายถือว่าเป็นตัวเป็นตนต แต่เมื่อเราแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเหล่านี้ออกไปเป็นละส่วนละส่วนเราก็จะไม่เห็นว่าสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนเลยเหมือนอีอย่างหนึ่งร่างกายของเราที่เราถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ถ้าเราแยกเอาเ อ, าอาวัย ว, วะออกแต่ละส่วนเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเหล่านี้เป็นตน้นเราจะหาคําว่า ต, วตัวตนนั้นไม่ได้เลย ส่วนนี้ก็จะเป็นผมส่วนนี้ก็จะเป็นขนส่วนนี้ก็จะเป็นเล็บนี่ก็จะเป็นหนังเป็นเนื้อไม่มีแต่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วเราสมมติก็เป็นตัวว่าเป็นตัวเป็นตนตามโลกิยะสมมุติแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเพราะเราบังคับขับสายไม่ได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ยกขันห้าเนี่ว่าเป็นนตตาเหตุใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ยกอนัตตลกนัสูตรคือั พระสูตรว่าโดยลักษณะไม่มีตัวเป็นตนนี้กล่าวแก่พวกปัญจวัคคีเพราะมุ่งหมายถึงเพื่อที่จะทําลายความเชื่อถือหรือความเห็นของชาวพราหมณ์ซึ่งถือว่าซึ่งถืออันซึ่งถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่เราเรียกกันว่าอาตมันเช่นคําว่าพระพรหมนี้ก็ถือว่าเป็นอาตมันคือมีตัวมีตนนั่นเองอันนี้พระพุทธองค์นั้นทรงตรัสเพื่อจะทําลายความเป็นตัวเป็นตน ในทิฏฐิคือความเห็นของพวกปัญจวัคคีย์เสียจึงได้ตัดเรื่องอนัตตลักษณสุขขึ้นมาเมื่อองค์สุเด็ระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาจบปรากฏประจิตของพิสุปัญจวัคคีย์นั้นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นว่่เป็นตัวตนตนคือเห็นตามหรือว่าเห็นจริงจังกับที่พระองค์ทรงตรัสว่าไม่ใช่ตัวใช่ตน เมื่อไม่ยึดมั่นถือมัน่นโดยปาะานเช่นนี้แล้วก็ปรากฏว่าจิตใจของพิสุเหล่านั้นก็พ้นจากกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอเศสขับบุคคลในพระพุทธศาสนาในการนั้นจึงนับได้ว่าในวันขึ้นห้าในวันแรมห้าค่ำเดือนแปดก่อนพุทธศกสี่สิบห้าปีนั้นได้มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นแลในโลกหกองด้วยกัน หกองนั้นก็ได้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหนึ่งอปัญจวัคคีย์ทั้งห้ากับพระพุทธองค์อีกหนึ่งเป็นหกแล้วปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพร้อมด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็จึงได้อยู่จำพรรษาที่ป่าอิสิปตนะมลึกถ่ายวันนั่นเองเพราะฤดูการนั้นเป็นฤดูการฝนไม่เหมาะที่จะเที่ยวจาริกต่อไป ในระหว่างแห่งการจำพรรษานั้นยังมีกุณบุตรผู้หนึ่งกุณบุตรผู้นี้ชื่อวิยศะชื่อวิยศะกุณบุตรเป็นบุตรของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีซึ่งเป็นคนที่มีเป็นอ่าเป็นคนที่สุขุมมาชาติมีทรัพย์สมบัติมากตระกูลของเศรษฐีผู้นี้ปรากฏว่า สำหรับตัวขอนยะกุณบุตรผู้นี้มีปราสาทหรือเรียกว่ามีบ้านที่จะอยู่ตามฤดูกาลถึงสามหลังด้วยกันคือบ้านที่อยู่เหมาะสมแก่ฤดูร้อนหนึ่งหลังฤดูฝนหนึ่งหลังและกฤดูหนาวหนึ่งหลังและนอกจากนั้นแล้วยังมีนางบำเรอซึ่งเป็นหญิงล้วนๆบำเรอขับกองประโคนตรีนทั้งกลางคืนกลางวันโดยที่ไม่มีผู้ชายเจือปนปะปนเลย อยู่มาในวันหนึ่งยาสากุลระบุรผู้นี้หลับตั้งแต่หัวค่าตื่นมาในยามดึกได้เห็นอาการวิปริตต่างๆของหญิงซึ่งเป็นนักเป็นหญิงบำเรอขับกล่อมพระคมดนตรีซึ่งขณะขับกล่อมอยู่นั่นเห็นยาสากุลระบุฑผู้นี้หลับไหลไปแล้วก็เลยเลิกการที่จะขอบกล่อม ต่อไปตนเองก็เร็ดล้มตัวลงนอนยาตสักุลบุตรนี้ตื่นขึ้นมาในยามดึกได้เห็นอากับกิริยาของหญิงที่เป็นนางบำเรอนั้นมีอาการต่างต่างกันนอนอาปากบังน้ำลายไหลบ้างนอนกายไปก่ายมากันบ้างมองดูแล้วเกลื่อนกล่นเหมือนกรบสพที่อยู่ในป่าช้า เกิดความสังเวชสลดใจอึดอัดเบื่อหน่ายขึ้นมาแทนที่จะเกิดการมราคะหรือยินดีกับมองเห็นเหมือนกับซากศพในป่าชา้าเกิดอึดอัดขึ้นมาไม่สามารถที่จะทนอยู่ในสภาพเช่นนั้นได้ก็จึงได้ออกจากห้องของตัวเองสวมรองเท้าเดินลงบันไดแล้วก็เดินออกจากบ้านไปโดยการที่เดินไปพลางแล้วก็บนไปพลาง ว่าที่นีวุ่นวายหนอที่นีขัดข้องหนอด้วยความอิดอัดเช่นนั้นเดินพลามบนพลามไปจนกระทั่งไปถึงที่ป่าอิสิปตนมรุทขายวันซึ่งในเวลานั้นเป็นเวลาที่ค่อนใกล้ลุงบนไปเช่นนั้นจนกระทั่งถึงชายป่านั้นองคตเดชพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าขณะนั้นพระองค์ก็สเสด็จลุก ขึ้นเดินจงกรมในเวลาใกล้ลุงได้ยินเสียงของยศ ะ, ะบ่นไว้เช่นนั้นก็จึงได้ตรัสตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นั่นไม่ที่นี่ไม่ขัดข้องเชิญท่านเข้ามาข้างในก่อนแล้วเราก็จะแสดงทำให้ฟังยศ ะ, ะกุณฑบุตรได้ฟังพระดำรัสเช่นนั้น ก็จึงได้ถอดรองเท้าเดินเข้าไปอภิวาทแล้วก็นั่งอยู่ณสถานที่สมควรแห่งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเธจ้าก็จึงได้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดโดยอันดับเบื้องต้นนั้นพระองค์ได้แสดงอนุปุพีคาถาคือกล่าวไปโดยลำดับจากความง่ายไปหาความยากเพื่อเป็นการฟอกจิต ใจของยาศาตคุณบุตรนี้ผู้ไม่เคยต่อธรรมะให้อ่อนโยนปราศจากนิวรธรรมทั้งห้าเสียก่อนเถ่าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนการที่ว่าก่อนที่จะย้อมผ้านั้นก็ฟอกซักให้สะอาดเสียก่อนเพื่อเวลาที่จะย้อมนั้นจะได้ติดสีอย่างอย่างดีและสวยงาม อนุปภพีกระถาที่พระองค์ทรงสแสดงเป็นลาดับนั้นก็ได้แก่นหนึ่งทานการเสีย ส, ะ ส, สละสองศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสาสวรรค์หรือสักขะกระถาสวรรค์ก็แปลว่าสถานที่ลื่นลมหรือความสุข 4. กามาทีนวะกระถาก็คือโทษของกามและก็ห้าเนคขมานิสังสั ก, กะถะ ทีสังสกถาก็คือพรณนาถึงอานิสงฆ์แห่งการออกจากกรรมซึ่งแนนดับแรกก็ให้เป็นคนที่เสียสละดับที่สองก็ให้เป็นคนที่มีศีลเมื่ออำนาจของศีลแล้วก็ทําให้บรรลุถึงสุคติหรสวรรค์แต่กลัวที่จะติดอยู่ในที่นั้นก็จึงได้ ก, กล่าวถึงโทษของกามเมื่อกล่าวถึงโทษของกรรมแล้วก็จึงกล่าวถึงอานิสงฆ์แห่งการออกจากกรรม หรือเว้นจากกรมมคุณเมื่อเห็นว่าจิตใจของยัาสันนี้อ่อนโยนพอที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาขั้นสูงได้แล้วพระองค์ก็จึงได้แสดงสามุ ก, กังสิกธรรมสามุ ก, กังสิกธรรมนี้ก็ได้แก่อริยสัจสี่อริยสัจสีก็คือทุกส ม, มุทัยนิโรธมรรคเหมือนกับที่พระองค์นั้นทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เช่นเดียวกัน แต่ปัญจวัคคีย์นั้นพระองค์ไม่ได้แสดงอนุปปภีกถาทรงแสดงทางสามสายก่อนที่จะแสดงอริยสัจแต่สําหรับยะกุณฑบุตรนี้พระองค์ทร ง, สงแสดงอนุปปภีกถาแล้วจึงจะได้แสดงอริยสัจสีประการเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่ายะกุณฑบุตรนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุโสดาปติผล ใ้ดวงตาเห็นรมฝ่ายมันดาของยะสะที่อยู่ทางบ้านนั้นตื่นขึ้นในตอนเช้าในตอนเช้าหมุดเองขึ้นไปดูแล้วไม่พบลูกชายจึงไต่าถามก็หาไม่เห็นให้คนหาภายในบ้านก็ไม่เห็นจึงได้บอกแกสา ม, มีซึ่งเป็นเศรษฐีนั่น เต่ษีผู้สามีก็จึงชใช้คนไปตามทั้งสี่ทิศให้ไปตามทั้งสี่ทิศแล้วส่วนตนเองนั้นก็ออกติดตามด้วยก็จึงได้เดินทางไปห้นทางที่จะไปป่าอิสิปตนมฤคธายวันเดินไปจนถึงก็ไปพบรองเท้าของลูกชายของยาศกุณนบุตรก็จำได้วันนี้เป็นร อ, อ, อ, องเท้าของลูกชายก็จึงได้เข้าไปในภายในป่า พบพระพุทธองค์ก็ทรงถามว่าพบยศเนี่ยผ่านมาทั้งนี้บ้างไหมพระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าให้นั่งลงก่อนอาจจะพบในที่นี้บ้างดังนั้นเมื่อเศรษฐินได้นั่งลงแล้วพระองค์ก็ถึงได้เทศนาปโปรดซึ่งเป็นกันเดิมที่แสดงแก่ยศกุนบุตรนั่นเองคืออันดับแรกนั้นก็แสดงอนุปพีกถาแล้วก็อริยรสัจสี่ประการ โปรดต่อมาพอจบพระธรรมเทศนานันปรากฏว่าเศรษฐีผู้เป็นบิดานี้ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือได้บรรลุโสดาปัติภณได้กล่าวสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระองค์เป็นอย่างมากซึ่งมีคำว่าเหมือนกับหายของที่ความแนะนำบุคคลที่หลงทางเหมือนกับแสงสว่างในที่มืด แล้วก็จึงได้ปฏิญญาณตนเป็นอุโบสกขอถึงพระรตนตรัยเป็นที่พึ่งทั้งสามประการเพราะฉะนั้นเศรษฐีผู้เป็นบิดาของยาศานี่แหละจึงนับได้ว่าเป็นอุบาสกคนแรกในโลกแต่เป็นประเภทเตวาจิจอุบาสกคือวาสกที่ถึงพระัตนตรยัยสามประการในข้อนี้นักศึกษานั้นจะต้องจําไว้ว่าอุบาสกคนแรกในโลกนั้น มีสองพวกด้วยกันพวกหนึ่งก็ได้แก่พานิสองพี่น้องคือตัปุสะภริกะนับว่าเป็นอุบาสกคนแรกในโลกแต่ว่าเป็นประเภททเววาจิกะคือถึงรัตนะสองเท่านั้นเพราะตอนนั้นสังขรัตนะยังไม่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้สังขรัตนะเกิดขึ้นแล้วเสถีผู้เป็นบิดางยสานีจึงกล่าวรัตนะไตรหรือว่ารัตนะทั้งสามนั้นเป็นรัะที่พึง จึงนับได้ว่าเป็นอุบาสกคนแรกในโลกแต่ประเภทเตวาจิกะอุบาสกเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านขอเจริญพร